สัมอเหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์จริงของผมซึ่งได้เกิดขึ้นตอนที่พวกเราไปเที่ยวกันโดยพวกผมนั้นเป็นแก๊งเด็กมหาลัยซึ่งมีอยู่จำนวนแดคนปิดเทอมพวกผมก็วางแผนจะไปเที่ยวพัทยากันไปแบบสามวันสองคืนในคืนแรกจะนอนที่เมืองพัทยาก่อน ส่วนคืนที่สองก็จะไปนอนกาบเรื่องที่พักแถวพรรยาพวกเราไม่มีปัญหาอะไรเพราะเพื่อนผมมีบ้านอยู่ที่นั่นแต่กาะที่พวกเราจะไปผมได้จองบ้านไว้หลังหนึ่งซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่เหลืออยู่เพราะที่อื่นเต็มหมดแต่สภาพมันก็ดีเลยทีเดียวมันเป็นบ้านสองชั้นดูสวยและน่าอยู่เลยทีเดียวบ้านหลังนี้ตั้งอยู่แถวท่าหน้าบ้าน คืนแรกพวกผมก็ไปนอนกันที่บ้านเพื่อนแถวพัทยาทุกคนสนุกสนานกันมากดื่มเบียร์กันจนถึงเชา้าทุกอย่างก็ราบรื่นดีพอถึงเช้าวันต่อมาพวกเราก็ออกเดินทางไปเกาะลานทุกคนก็ดูโอเคอาจจะมีเมาค้างกันบ้างพอเดินทางมาถึงเกาะพวกผมก็ติดต่อเจ้าของที่พกแล้วก็พากันไปเช่ารถแล้วพี่เขาก็พาพวกเราไปยังห้องพัก คมรู้สึกในตอนนั้นทุกคนแฮปปี้มันน่าอยู่มากพุกเราก็เดินสำรวจในบริเวณบ้านและเพื่อนผมคนหนึ่งก็ได้เดินไปเจอห้องห้องหนึ่งอยู่ชั้นล่างแต่มันถูกปิดล็อกเอาไว้เพื่อนมันก็เลยถามพี่เขาว่าเป็นห้องอะไรพี่เจ้าของก็บอกว่าเป็นแค่ห้องเก็บของเท่านั้นพุกเราไม่ได้สนใจอะไรก็เดินสำรวจบริเวณบ้านกันต่อ ซึ่งมีการจัดบ้านได้ซับซ้อนมากที่นี่มีสามห้องนอนอยู่ชั้นบนหมดห้องใหญ่หนึ่งห้องห้องเล็กสองห้องจากนั้นผมก็เดินหาพระว่าอยู่ตรงไหนผมจะได้ไปไหว้แต่ก็หาไม่เจอจนพี่เขากลับไปโดยมีเพื่อนผมไปส่งหลังจากเพื่อนผมกลับมาแล้วมันก็ไม่ได้พูดอะไรมันเดินขึ้นไปที่ห้องนอนใหญ่ แล้วก็ล้มตัวลงนอนกับเพื่อนอีกคนผมคิดว่ามันสองคนคงแหงเพราะเมื่อคืนดื่มหนักแล้วก็ไม่มีใครที่คิดจะไปไหนเลยทุกคนคิดจะนอนกันอย่างเดียวก็เลยพากันนอนส่วนเพื่อนผู้หญิงที่ไปด้วยกันก็จัดห้องนอนของตัวเองย้ายไปย้ายมาเมื่อผมตื่นขึ้นหลังจากที่ได้นอนพักกันแล้วผมก็เดินไปหาเพื่อนที่นอนอยู่ห้องใหญ่ กะว่าจะชวนไปกินข้าวเพราะรู้สึกว่าหิวมากเพื่อนคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่ากูโดนผีอำวะโคตรน่ากลัวผมเลยบอกมันไปว่าคิดมากไปหรือเปล่ามานอนต่างถิ่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนมันก็ยังบอกอีกว่าผีที่มาเปนตัวใหญ่มากส่วนตัวผมนั้นก็ไม่คิดอะไรเลยเดินไปอีกห้องหนึ่งเพื่อที่จะชวนเพื่อนที่เป็นทอมไปกินข้าว แต่ปรากฏว่ามันไม่อยู่หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วยังหายไปสองคนพร้อมกับแฟนมันด้วยพวกผมที่เหลือทั้งหกคนก็เลยออกตามหาแล้วก็เจอจนได้พอเจอหน้ามันมันก็บอกว่ากูหิวข้าวพวกมึงก็นอนกันอยู่นั่นแหละแล้วพวกเราก็ทะเลาะ ก, กันแรงมากแทบจะเลิกคบกันเลยเพราะเรื่องเล็กๆ เ, เ, เท่านี้เองจากนั้น ผมก็ชวนพวกมันไปคุยปรับความเข้าใจตอนแรกว่าจะกลับไปที่บ้านแต่เปลี่ยนใจไปที่หาดนวลแทนแล้วทุกคนก็ดูใจเย็นลงมากคุยกันรู้เรื่องพวกเรานั่งกินกันแล้วก็ไปเล่นหาดตะแหวนจนถึงเย็นจากนั้นก็กลับบ้านพอมาถึงทุกคนก็ช่วยกันทำอาหารอยู่ชั้นล่างเพื่อนผมที่เป็นอมก็ไปอาบน้าชั้นบน พอมันอาบเสร็จมันก็เดินลงมาแล้วถามทุกคนว่าใครมาอาบน้าห้องข้างๆมันเพื่อนๆก็ทำหน้าแปลกใจและบอกว่ายังไม่มีใครได้อาบน้ําเลยนอกจากมึงคนเดียวในตอนนั้นทุกคนก็คิดว่ามันคงหูฝาดไปเองแล้วก็ทำอาหารกันต่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่ า, วาเมื่อทุกคนอาบน้ําเสร็จก็มากินข้าวกันบริเวณหน้าบ้าน พอนั่งได้สักพักหนึ่งฝนก็ทำท่าเหมือนจะตก <S <S> <S ผมนึกขึ้นได้ว่าตากผ้าไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนคนเดียวไปเก็บผ้าที่ตากไว้ที่ระเบียงซึ่งผมต้องวิ่งผ่านห้องนอนใหญ่ออกไปเพื่อเก็บผ้าระหว่างที่ผมเก็บผ้าอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่า มีคนกำลังมองผมอยู่ด้านซ้ายมือของตัวเองเมื่อผมหันไปดูสิ่งที่ผมเห็นนั้นก็คือเงาของผู้ชายคนหนึ่งมีลักษณะตัวใหญ่มากซึ่งดูแล้วน่าจะมีอายุมากเลยทีเดียวผมตกใจรีบวิ่งออกมาจากกระเบียงปล่อยผ้าตากทิ้งไว้อย่างนั้นเหมือนเดิมประตูที่เปิดออกไปก็เปิดทิ้งไว้ขณะที่ผมวิ่งมาแล้วกำลังจะก้าวลงบันได เงาดำๆนั้นก็มาหยุดหยุดตรงทางขึ้นบันไดผมทาอะไรไม่ถูกเลยหลับตาแล้วลืมตามองอีกครั้งเงานั้นก็หายไปผมจึงรีบวิ่งลงมาชั้นล่างพอไปถึงกลุ่มเพื่อนผมก็แอบเรียกเพื่อนคนที่โดนอัมนั้นไปคุยกันสองคนซึ่งเพื่อนมันก็บอกว่าสิ่งที่มันเห็นตอนโดนอัมนั้นมีลักษณะเดียวกันกับที่ผมเห็น ซึ่งเป็นเงาดำของผู้ชายตัวใหญ่มากและน่าจะมีอายุมากแล้วหลังจากที่ผมกับเพื่อนคุยกันเสร็จเราสองคนตัดสินใจว่าจะไม่บอกใครเพราะกลัวเพื่อนคนอื่ น, นจะกลัวแล้วพวกเราก็กลับมานั่งกินและดื่มเบียร์กันต่อเวลาผ่านไปเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยสองคนก็เริ่มเมาแล้วคนหนึ่งบอกจะไปล้างจานให้ ส่วนอีกคนบอกไม่ไหวแล้วจะไปนอนนางก็เดินขึ้นไปข้างบนคนเดียวผมกับเพื่อนอีกคนที่เจอผีก็เป็นห่วงนิดๆว่าสองคนนี้จะเจออะไรหรือเปล่าหลังจากสองคนนี้ไปนอนกันแล้วเพื่อนทอมมันก็ลุกไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างข้างๆห้องที่ปิดล็อกไม่นานมันก็วิ่งกลับมาทำหน้าตื่นแล้วมันก็บอกว่าตอนกูชีอยู่ กูมองไปที่ช่องระบายอากาศแล้วกูก็เห็นหน้าผู้ชายเมื่อได้ยินดังนั้นผมกับเพื่อนที่โดนอั่ก็ตกใจมากแต่เพื่อนทอมมันก็ยังสงสัยว่ามันตาฟาดหรือเปล่าก็เลยชวนแฟนของมันไปดูอีกรอบพอมันหายไปได้สักพักหนึ่งก็เดินออกมาแล้วบอกว่ามันเห็นอีกแล้วไม่ใช่กิ่งไม้แน่นอนแฟนมันก็เห็นด้วยเหมือนกัน พวกผมหกคนจึงมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าบ้านคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแฟนของเพื่อนทอมก็บอกว่าตัวเองเลี้ยงกุมารทองเอาไว้บอกให้มากินข้าวแต่ก็ไม่มากินเหมือนกับว่าจะกลัวอะไรสักอย่างขณะที่พวกเราคุยกันอยู่นั้นก็รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนสาวทั้งสองคนที่อยู่บนห้องเอามากๆจะไปเรียกลงมาก็ไม่มีใครกล้าไป จนผมนั้นต้องตัดสินใจขึ้นไปเองผมรีบวิ่งอย่างไว้ก้าวขาขึ้นบันไดแบบไม่กลัวพลาด ต, ตกเลยทีเดียวพอผมขึ้นไปถึงผมก็รีบเข้าในห้องสองคนนั้นแล้วปิดประตูล็อกจากนั้นก็เข้าไปดูเพื่อนที่นอนอยู่แต่ผมเห็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในห้องน้ำ ผมกลั้นใจค่อยๆก้าวเดินเข้าไปดูก็พบว่าเพื่อนอีกคนกำลังนั่งอ้วกอยู่ในห้องน้ำผมจึงเดินไปพยุงเพื่อนออกมาจากห้องน้ำเพื่อไปนอนเตียงแล้วอยู่ดีๆประตูที่ผมปิดล็อกเองกับมือก็มีเสียงปลดล็อกและประตูก็ค่อยๆเปิดออก ในตอนนั้นใจผมสั่นมากคิดว่าโดนแน่ๆแล้วคราวนี้เพราะผมหันไปมองเพื่อนที่เมานอนอยู่บนเตียงก็เห็นว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแถมคนที่อ้วกนั้นยังบอกให้ผมไปปิดประตูอีกผมกลั้นใจอีกครั้งค่อยๆเดินแล้วชะโงกหน้าไปดูจากนั้นก็ปิดประตูนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ผมยืนอยู่นอกห้อง แล้วก็รีบวิ่งลงบันไดไปหาเพื่อนข้างล่างเล่าทุกอย่างให้พวกมันฟังจากนั้นพวกเราก็มาคิดกันว่าทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าแล้วแฟนทอมก็พูดึ้นมาว่าพี่จุกมาแล้วไม่ทันขาดคําก็พูดขึ้นมาอีกว่าพี่จุกไปแล้วจู่ๆขวดเบียร์ที่พวกผมกินกันทั้งหมดประมาณหกขวด จะล้มลงเสียงดังพวกผมตกใจกันมากมันล้มได้ยังไงลมก็ไม่มีขาใครก็ไม่ได้ไปโดนเพราะไม่มีใครอยู่ใกล้ตรงนั้นเลยแล้วแฟนของเพื่อนทอมก็บอกว่าพี่จุกไปตอนขวดลมพวกเราทั้งหกที่อยู่ข้างล่างไม่มีใครกล้าขึ้นไปข้างบนบ้านเลยพวกผมเลยตัดสินใจที่จะเก็บของกัน ระหว่างที่เราเก็บของอยู่นั้นก็มีเสียงข้อออกมาจากห้องที่เขาปิดล็อกเอาไว้เสียงข้อนั้นดังเป็นจังหวะซึ่งพวกเราตกใจและกลัวมากจึงกลับออกมานั่งหน้าบ้านกันอีกครั้งพวกเรานั่งคุยกันว่าจะยังไงกันดีทำอะไรไม่ถูกหรือนอนกันที่หน้าบ้านเลยดีไหม ขณะที่พวกเรากําลังคิดกันอยู่นั้นจูๆ่ๆไฟก็ดับพวกเรากอดกันกลมเวลาผ่านไปไม่นานประมาณหวินาทีไฟก็มาอีกครั้งพวกเราโล่งใจมากโชคดีที่ไม่ดับไปทั้งคืน แล้วพวกเราก็นั่งจับกลุ่มกันอยู่ที่หน้าบ้านจนถึงเวลาตีสาปวดชียาข้ห้องน้าขนาดไหนก็ไม่กล้าเขา้าสักพักแฟนฮอมก็พูดขึ้นมาว่าเปลี่ยนที่นั่งกันไหมผมก็เลยถามไปว่าเป็นอะไรเมื่อมองดูที่หน้าของเธอก็เห็นว่าหน้าตาของเธอนั้นเหมือนจะกลัวอะไรสักอย่างเธอน้ำตาซึมแล้วก็บอกด้วยเสียงี่สันว่าโดนดึงผม แล้วเธอก็ลุกมานั่งทางผมพวกเราทำอะไรไม่ถูกทำได้แค่รอให้เช้าเท่านั้นจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงตีห้าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็เริ่มจะมีบ้างแล้วพวกผมพากันเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็มานอนรวมกันอยู่ห้องเดียวกันหมดพวกเราจ่ายเงินค่าที่พัก 5,000 บาทต่อคืนแต่กลับนอนกันตรงเก้าอี้ข้างนอก ไม่กล้าที่จะขึ้นไปนอนบนเตียงชั้นบนหลังจากที่พวกเรานอนกันได้แค่สามชั่วโมงทุกคนก็ตื่นแล้วก็ทยอยกันไปอาบน้ำเตรียมตัวที่จะกลับส่วนผมนั้นก็เดินแบวผ้าที่ตากไวเมื่อคืนที่ห้องนอนใหญ่ก็เห็นว่าประตูที่ออกไประเบียงนั้นปิดอยู่ทั้งทั้งที่เมื่อคืนผมไม่ได้ปิดและก็ไม่มีใครมาที่ห้องนี้ส่วนผ้านั้นก็ตากอยู่ที่เดิม พอทุกคนอาบน้ํากันเสร็จหมดแล้วก็เหลือผมกับแฟนที่ยังไม่ได้อาบพอผมเข้าไปอาบน้ําในห้องนอนตัวเองน้ํากลับไม่ไหลซะอย่างนั้นผมจึงตัดสินใจไปอาบน้ําที่ห้องนอนใหญ่ซึ่งเป็นห้องที่น่ากลัวมากแต่คิดว่ามันเช้าแล้วคงไม่มีอะไรหรอกและผมก็ให้แฟนมาเฝ้าที่หน้าห้องน้ําด้วยพอผมอาบน้ําไปได้สักพักหนึ่ง ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนมาเปิดประตูตู้เสื้อผ้าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟนของตัวเองก็เลยอาบน้ำต่ออย่างสบายใจพออาบน้ำใกล้จะเสร็จก็มีเสียงดังมาจากฝ้าเพดานของห้องน้ำดังชนิดที่ว่าไม่น่าจะใช่หนูแล้วมันเหมือนกับว่ามีใครลากกล่องกระดาษกับพื้นผมก็เลยตะโกนเรียกแฟน แต่ปรากฏว่าไม่มีการตอบรับใดๆผมรีบเปิดประตูห้องน้ำออกมาก็พบว่าแฟนตัวเองนั้นไม่อยู่ที่หน้าห้องแล้วผมวิ่งไปห้องนอนเล็กซึ่งเป็นห้องของผมก็ได้ยินเสียงแฟนผมกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องแล้วผมก็ถามแฟนไปว่าไปเอาเสื้อผ้าในห้องนอนใหญ่เหรอแฟนผมก็บอกว่าเปล่าออกมาจากห้องนั้นตั้งแต่ผมเข้าไปอาบน้าแล้ว แล้วเสียงที่ผมได้ยินนั้นคืออะไรก่อนกลับพวกเราก็จัดของที่ย้ายไปย้ายมาให้เข้าที่เหมือนเดิมหอมกับเก็บงาความสงสัยเอาไว้จนกระทั่งตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้เจอนั้นมันคืออะไรกันแน่พวกเราทั้งหมดต่างสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของบ้านหลังนี้ผมยืนยันว่า สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นจริงแม้พวกเราจะไม่ได้เห็นวิญญาณเป็นตัวเป็นตนอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่พวกเราเจอนั้นมันก็ทำให้พวกเราหลอนกันมากเลยทีเดียวถึงแม้จะเป็นบ้านพักที่ดูใหม่มากก็จริงแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนั้นเป็นอย่างไรเคยเกิดอะไรขึ้นมาแล้วบ้าง สมภัทสิอง